พระบัญญัติภิกษุต้องอาวัดปราจิตีเพราะกล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้104สมัยนั้นพระเมตยะและพระภูมัชกะคิดว่าภิกษุทั้งหลายเชื่อฟังพระบัญญัติว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการกล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษจึงบ่นว่าท่านพระทพัพพระมรรบใกล้ๆภิกษุทั้งหลายว่า พระทัพพระมรบุตรจัดแจงเสนาสนะด้วยความชอบพอกันและแจกพัฒหารด้วยความชอบพอกันบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงตำหนิประนามโพลธนาว่าฉนัยพระเมตยะและพระภูมิฉกะจึงบ่นว่าท่านทัพพระมรบุตรเล่าคั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพระเมตยะและพระภูมิฉกะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ